ครั้งครั้งสมัยพุ้ตการฉันใดแม้ในประเทศศรีลังกาท่านก็บอกว่าก็ทําอย่างนี้อยู่เหมือนกันศรีลังกานะที่เกาะสิงหนอย่างเช่นบอกว่าภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ําคงคาข้างโน้นจะประชุมกันที่โลหะปราศาท ต, ตอนนี้ก็เลยแต่เซาโดเรนี่นะที่เรียกวที่โลห์ปราสาทเนี่ยภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ําคงคาอีกฝั่งหนึ่งก็ประชุมกันที่ติดสระมหาวิหารที่เรียกว่าเขาแบ่งแบ่งกางว่าลุ่มลุ่มน้ำไอ้โคลาฟากแม่น้ำเนี่ยนะก็มีการประชุมกัน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 ทุกคนก็จะมามาสาธยายพระธรรมมันใครอยากจะฟังปิฎกไหนก็มาเล ย, เ น, ยนะท่านจะช่วยร่วมกันสาธยายพร้อมกันนี่ยมันจึงไม่มีการเลอะเลือนโดยอัฏฐะและพยัญชนะทุกคนก็สวดได้ทั้งหมดเนยนะมันจะสวดเหมือนกันหมดแล้วก็สวดยาวแบบที่แรจะสวดกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสวดกันจนจบว่า ง, งั้นเถอะเรื่อว่ามีการสวดพระไตรปิฎกในโรงเรียนนิกายห้ามันมีการเรียนกับ ก, กลุ่มทีคนิกายกลุ่มมัชชิมนิกายก็ร่วมกันสาธยายไป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 แล้วก็ในยุคนั้นพระไตรปิฎกนี่ถึงความแพร่หลายมากเนี่ยนะมันเป็นยุคสมัยก็เรียกว่า ย, ยุคทองของผู้มีบุญเนี่ยนะยุคทองของพี่มีผู้มีบุญมัแต่ว่าในยุคหลังๆนี่ก็ถือว่าค่อนข้างหายากแล้กระเดียบไปเรียนวิชาทางโลกกันสักส่วนใหญ่เนี่ยนะที่จะเรียนวิชาพระไตรปิฎกก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะคือคือมันเป็นยุคสมัยที่ชุมชนทั้งหลายไม่ค่อยยกย่องในคําสอนเนี่ยนะไม่ยกย่องในคําสอนก็ถือว่า คำสอนเนี่ยหน้าเรียนน้อยน่าใส่ใจน้อยไอาการที่จะแบ่งเวลามาเรียนคำสอนเนี่ยนับว่าน้อยมากเนี่ยนะก็ทุกยุค ท, ทุกสมัยเนี่ยนะโดยเฉพาะยุคสมัยหลังๆมาเนี่ยการศึกษาพระธรรมคำสอนก็ลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามันก็เป็นน่ยนะอย่างที่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อมีผู้ใดกล่าวพระพุทธพจน์กล่าวคำสอนของพระองค์ ชุมชนทั้งหลายก็จะไม่ใจใส่ใจฟังจะไม่เงียโสดลงฟังแต่เมื่อใดที่เอาเรื่องอื่นมาพูดเอาเรื่องอื่นมาพูดในะเช่นเพอร์เจอร์เนี่ยโอ้ยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยฟังกันแน่นถนัดเนี่ยนะบัตรพันหนึ่งก็ซื้อไปดูซื้อไปเพื่อดูเพอร์เจอร์เนี่ยนะบัตรห้าร้อยบัตรพันหนึ่งก็เอาหนดก็แสดงว่ายินดีบริโภคมิชฉาวาจาเนี่ยนะไม่ต้องการจะรับฟังสัมมาวาจามันก็เป็นมันก็ก็ตามอัธยาศัยอนะ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 มีราคาค่าตัวเท่ากับลูกอมเม็ดหนึ่งนะั้นน่ะไม่ได้ถืออะไรเป็นสาระแกนสารอะไรเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติเป็นพวกกลุ่มพระจันข้างแรมเนี่ยนะก็รอวันเสื่อมออกมาเนี่ค่อนข้างเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันว่าขอเราอย่าได้เสื่อมเลยเนี่ยนะสงสารตัวเองอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันกลัวจะเสื่อมกลัวจะไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่ยนะบอกว่าใครไม่ศึกษาก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกาันนรกเนี่ยไม่ได้เป็นของเรียนโลกาหรับตัวเรานะีนะมันก็รีบขวนขวายเนี่ยนะ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 มันก็มีบางคนเขาเสนอทางเลือกเขามาก็บอกว่าเชื่อสัตปัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเชื่อวิธีการของพระพุทธเจ้าอะน น, นเราเองก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นสาระคําสอนของพระองค์นี่กลั่นจากอสาัทาระนาณนหกกลั่นจากทศพลยานสิบพระองค์จึงแสดงออกมาเพรา ะ, ะนั้นขอเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเถอดถ้าจะเรียนก็ขอเรียนของพระพุทธเจ้าถ้าจะฟังก็ขอฟังของพระพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้เข้าว่า นั้นส่วนบุคคลเหล่าอื่นเขาจะศึกษาเช่นใดก็บอกว่าตามอัธยาศัยก็แล้วกันเนี่ยนะพอดีเกิดมาในยุคสมัยประชาธิปไตยก็เลยพอดีกันเตะเลยเน่ยนะนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็บอกว่าเสรีภาพอิสระภาพเนี่ยนะไม่รู้แปลว่าอะไรเนนะแปลว่าทําตามราคะก็ได้ทําตามโทสะก็ได้ทําตามโมหะก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้ต้องสอบสวนให้ดีว่าเสรีภาพนี่มันแปลว่าอะไรเหมือนกันนี่ยนะนั้น พยายามที่จะใส่ใจให้ดีๆนะว่าการใส่ใจการริ่มเรียนในคําสอนเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดายิ่งสองพันกว่าปีมาจวบปัจจุบันเนี่ใครไปอินเดียนี่เห็นสภาพเลยนะไม่เหลืออะไรอาลุกกับวิหารถ้าอาลุกกับวิหารที่รถจะเรียบรจะนาพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขียนเนี่ยไหที่อาลูกกับวิหารเนี่ย ท, ที่ขึ้นไปวันนั้นน่ะ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 ซ้ำๆกันหลายๆครั้งมันต้ออ่านได้หลายๆครั้งโดยที่ไม่เบื่อก็เหมือนว่าไปเจอคนที่เขาดีที่สุดเนี่ยนะเจอคนที่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ดีที่สุดการอ่านได้หลายครั้งส0บ ส, บสบิครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็เหมือนกับว่างานเลี้ยงเนี่ยเราเคยเบื่อไหมเป็นต้นเนี่ยโดยมากเขไม่ค่อยเบื่องานสังสรรค์นี่เราก็พบปะสังสรรค์กับบัณฑิตโดยการอ่านการฟังการไข้ควรการไตรตรองการคิดนึกเชื่อเถอดบัณฑิตท่านรักษาเราให้พ้นจากทุกได้แน่นอน เ, นะเพราะพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ใดประพฤติทำ ร, ร, ร, รมก็จะรักษาปกป้องคุ้มครองผู้นั้นเนี่ยนะนั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนพระธรรมก็จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปสู่อาบายทุกคติวิริบาตเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่พระพิสูจนเหล่านั้นเนี่ยนะสมัยก่อนมีการมาสาธยายเพราะว่าทุกท่านก็ทรงจําได้หมดแล้ว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 แต่ละท่านก็เป็นสุตรเป็นผหูสูตรทรงจําคําสอนไว้มากร่ําเรียนคําสอนเอาไว้มากท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ที่อะไรที่สมบูรณ์ด้วยจาระและปัญญาเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจทรงจําในอัธรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยมีอ่ามีกุศลจิตเกิดมากประดุจคลื่นในมหาสมุทรนั่นกุศลจิตของท่านเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่า น, านก็หลั่งไหลไปตามคําสอน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 บอกว่าภิกษุเหล่าใดเจริญเพิ่มภูมมโนมนะลอยกิเลสดุจธุลีมีราคาเป็นต้นเสียภิกษุเห็นป่านนั้นได้ยินว่าพระเถระถึงพร้อมด้วยวัดพบภิกษุแก่ก็ไม่แข็งเออก็แข็งไม่ยอมนั่งคือคือไมอ่ปกติเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ลำพองมากๆเห็นใครมามาก็มาสิตัวเองก็นั่งคือไม่สนใจแต่แต่ท่านก็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 จะไปนั่งใครว่าไปนั่งดักรอเถอะเดี๋ยวจะเจอแล้วมีทุกประเภททุกลัทธิทุกนิกายแล้วก็มาจากเกือบทั่วโลกนไงนะที่ไปแล้วโอ้สารพัดจริงๆเลยนะบทสวดนี่แหมก็สารพัดพระภิกษุเนี่ยในในในละแวกบ้านในละแวกเอเชียเราเนี่ยเอเชียใต้เนี่ยนะแถวๆเนี่ยพระภิกษุเวียดนามพระภิกษุกเมรนพระภิกษุไทยพระภิกษุเวียดนามพระภิกษุ ภูฐานพระพิสุจีนุ้ยมีไปรวมกันแล้วก็สวดเวียนกันไปสวดเนี่ยนะสรารพัดเสียงเนี่ยนะโอยสรารพัดเสียงก็ใครนับถือลัที่ใดกลุ่มไหนนิกายไหนไปเถอะไม่มีผิดหวังว่างั้นนะ่ะไปหาที่ น, นนะั่น่ะไปหาที่เดียวเนะี่ยละไปหาแถวบริเวณที่พระสังเวชนิจสถานเนี่ยไปหาเถอะเดี๋ยวจะได้พบได้พบอ่ะนะได้พบแน่นอนนะว่าได้คุยเปลือเปล่าเรื่องหนึ่ง